มีใครอยากจะทําอะไรไหมวันนี้ก็เป็นวันพระวันที่เราเข้ามาหาธรรมะกันวันทำวันฟังเทศฟังธรรมวันหาความรู้หาแสงสว่างแห่งธรรมคนเราจะบรรลุธรรมได้ต้องมีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า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 เพราะน้องเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความรับรู้ว่าเขาเป็นอะไรร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเขาไม่มีความรู้ผู้ที่มีความรู้ก็คือผู้ผู้รู้คือใจใจที่ถูกความหลงครอบงำก็เลยต้องทุกขกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนเพราะ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 เวลาเกิดการมาลมปั๊นี่จะต้องเห็นอสุภะทันทีอ น, นึกอยากจะหาแฟนปั๊นึกถึงอสุภะของเขาปั๊บมันก็จะหายไปทันทีแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้จะไม่รู้สึกว่าเว่ยเศร้าส้อยไว้เหงาเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างมีความสุขถ้าไม่เห็นอสุภะนี้เวลาเป็นไม้ก็จะเป็นไม้แบบความทุกข์ ุกอยากจะหาคู่ใหม่หาแฟนใหม่เพราะอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันว้าเวแต่พอเห็นอกสุภาแล้วมันก็จะดับความรู้สึกเหงาความว้าเวไปได้เพราะมันหยุดความอยากที่จะมีแฟนได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟน <c oughs> นี่ก็คือธรรมะขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้า ส่งสอนให้พวกเรามาศึกษากันแล้วเอามาสอนใจการสอนใจนี้มันยากกว่าสอนลิงเสียอีกลิงนี้มันยังพอจะสอนได้มันเดือยยังตีมันได้แต่ใจเราเดือนี้เราไม่กล้าตีมันเวลามันเดือยเช่นมันอยากจะดื่มชูกาเราไม่ให้มันดื่มเราก็ไม่กล้าตีมันไม่กล้าขัดใจมัน พอมันอยากจะดื่มมากๆ ก, ก็ต้องป้าพามันไปดื่มจนได้้ามันอยากจะไปนอนไปมีแฟนก็ต้องพามันไปหาแฟนไปนอนกับแฟนจนได้วิธีที่จะสอนให้มันไม่ดื้อก็คือต้องสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่บ่อยๆสอนอยู่ทั้งวันเลยอย่างพระพุทธเจ้าให้สอนสอน สอนตัวเองว่าเราต้องตายให้เราเลือกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาใดที่เราไม่เราเลือกถึงนี่เราลืมเลยเราจะคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่อยากตายทันทีแต่ถ้าเราคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะไม่คิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่มีความอยากที่จะไม่ตายเพราะมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้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 หยุดพักก็ไปพักในสมาธิไปทาใจให้สงบไปกินข้าวเป็นพักผ่อนหลับนอนเหมือนกับร่างกายเวลาทำงานมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องพักงานกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนหลับนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปทำงานต่อใจก็เหมือนกันเวลาตั้งสอนใจด้วยธรรมะอยู่เรื่อย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 ก็ไปทดสอบดูถ้าพร้อมที่จะรับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลองนั่งไปนานๆให้มันเจ็บแล้วอย่าไปขยับอย่าไปลุกอยู่กับมันไปสมมติว่ากำลังเป็นโรคเป็นกากาลังเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นโรคอหิวาตหรือโรคมาเลาเรียสมัยก่อนพระจะโดนโรคนี้มากอยู่ในป่าจะโนจะโดนไข้ป่ากัน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 สร้างความเจ็บขึ้นมาเองด้วยความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปพอรู้ความจรงิงรู้ว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไปอยากให้มันเจ็บก็ก็จะทำให้เราเจ็บซ้าสองขึ้นมาก็อย่างน้อยเราหยุดความเจ็บไปได้ครึ่งหนึ่งความเจ็บใจนี้รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายเสียได้ซ้าไปถ้าไม่มีความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้ สบายมากสอบอม อ, อยู่กับมันได้ไม่เป็นปัญหาที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจที่ผลิตที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่คือปัญญาพอเห็นชัดแล้วว่าออความเจ็บที่ยิ่งใหญ่นี้คือความอยากให้ร่างกายหายเจ็บแล้วการที่จะไม่ทำให้เกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็คือต้องเห็นว่า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 บรรลุด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครที่จะบรรลุธรรมได้ไม่มีใครที่จะทําใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ไม่ทุกข์กับไปกับความตายของร่างกายได้ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องอยู่คนเดียวได้แต่พอมีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมียามารักษาโรคใจ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 ต้องอยู่กับแฟนนี่เพราะท่านยังไม่เห็นอสุภะถ้าท่านเห็นอสุภะแล้วท่านก็ไม่อยากจะมีแฟนนะอยู่คนเดียวสบายนี่คือเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษากันเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้รักษาความทุกข์ใจให้มันหมดไปจากใจวันพักก็มีจุดประสงค์ตรงนี้ตรงที่ให้พวกเราได้ปล่อยวางภารกิจการงาน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 ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเิวะหาปุราภะเิวะเลนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิจโตสัพเพปุราเลนโตสังกาปาจันโทปนาวะโสยะถ า, ามณิโจติ อาลาสุยท้าสพีิตโยวิวัชานตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีที่ายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธจัญญุทธาปจายโนยตาโรธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภลาง ใครอยากได้นังสือซีดีธรรมะก็ขอเชิญมาหยิดได้นะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาหูตาจะได้สว่างใครอยากจะเอาข้าวของอะไรเข้ามาประเคนก็เอาเข้ามาได้ไปเปนตาไม่เคยเจอแน่จ้ะท่านออกเม่ได้ท่านออกวันที่ไหน้องหกสองหกอะไะเราไปยืนหนึ่ง8ปถึงสอห โค้ด18อาจารย์อยู่ชุดเดียวอาจารย์สุดทำหรือเปล่าคะอาได้ น, นกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์สุดทำอาจารย์มันใช้อาอาจารย์ของชุดใหญ่นั้นใช่อชุดใหญ่แต่เราออกมากรเลเราคนแรกเลย<อ>เราออมา26ชุดใหญ่ก็ออกมา28 29ไนหะ ในตอนนั้น เ, เข้าไปปีไหนนะ เ, เข้าไปหารูปตาหนึน่งในส่วนใหญ่ก็จะไม่คบญาติโยมเพราะหลวงตาท่านจะให้ไปภาวนาท่านจะไม่ให้ผ้ามานรับแขครับคนคะจะมีแต่หลวงตารับญาติโยมคนเดียวถ้าเราฉันเสร็จก็นล่กับสุดติไปภาวนาในช่วงคมนะญาติโยมยังไม่เค่อยรู้จักพระมันเท่าไหร่ ว่าพระยาสุธรรมยมรู้จักอ่างหลวงตามาที่นี่ผมก็ไม่ได้มามีท่านมานะผมไม่เคยตอนแรกก็เลยไม่รู้จักไม่เคยเจอท่านจ้ะหลวงตาบางทีท่านมาท่านก็ไม่ให้ขายตามมาครับตอนที่เรามาใหม่ๆเนี่ท่านก็มาอยู่เรื่อยๆแต่ท่านมาองเดียวมากับกับลูกศิษย์คนสองคนนะมาคอยมาดูมาเยี่ยมตั้งแต่ปีสองหกมานี่ท่านก็มาอยู่เ่อปีสองปีท่านก็แวะมาที่ ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะไปส่สงแสงธรรมอ๋อเจ้ค่ะอ้ใช่ระาารสุธรรมรู้สึกว่าลูกเคยลุกลาาท่านก็ท่านกับเราก็เป็นญาติกันญาติทางญาติญาติก็นพี่น้องกันญาติของเขาและญาติของเราเนพี่น้องนยังไงครับผมหลานจค่ะ ูกลราบลูกโชซัมโบซัมโเป็นเดดีนะขอบมาลูกพอดีเวลาเขาเาเนั่าสั่นม่เป็นพูดกกับก็มาูกำกับบอกให้มาหลายครั้งแล้วเลยยังไม่ว่างเลยเลยวันนี้พอดีมาก็เลยลองแวะมาพูมกำกับบอกว่ามาสิมาสิอกหลายครั้งแล้วค่ะ อนได้กินหมดทุ๊บไมใช่ปานลุงติดหลวงตาอยู่เก่าอยู่กับหลวงตาตั้งสามสิไปีนะเก่าแก่ะไรตอนตอนช่วยจาผมตาเลามไปทุกแห่งไปกับคนมเไปกับพวกลับอะค่ะไปทุกที่แต่ที่นี่ไม่ได้มาแต่ไม่ไม่เคยมาที่นี่ไม่ได้จับผ้าป่าแล้ว ที่ท่านมาครั้งแรกท่านมาที่วัดช่องลมล้วก็ไปกราบท่านที่นั่นค่ะมาช่องลมวัดช่องลมตอนนั้นท่านน้อยยังบัญญัติฉันอยู่ใช่ค่ะผมก็อยู่ค่ะอยู่ค่ะนี่มาด้วยสังมาตามหลวงตามาเหมือนกัก็นั่งนอท่านพอท่านรับแขกเสร็จแล้วท่านก็ให้เราเข้าไปกราบล้วก็เอาช่วยไปถวายท่านเวาท่านกาบแต่จำจำจำจำจไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่เครู้ไปไทท่านให้ไปทบกที่สิบสองครั้ง้ไม่เคยเจอ เราชอบแบบมุมไม่อยากจะเจอคนไม่อยากจะรู้จักใครอ<ะ>ยิเ่ยเงียบๆสบายไม่วุ่นวายรู <c oughs> จยย้จักญาติโยมเดี๋ยวญยาติโยมก็จะนีมุนไปนู่น <c oughs> นี่นน <c oughs> ขอไม่ไปเขาก็จะเสียใจ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 ออกไปที่ถนนสุฬุมิตรแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปประมาณแค่กิโลกว่าก็จะถึงหมู่บ้านบ้านอำเภอหมู่บ้านบ้านอำเภอก็อำเภอบ้านบ้านอำเภออ๋อถ้าถ้าจะไปรับบาตรที่นั่นนะครับนี่จะมาใส่บาตรที่วัณยานตอนเช้ากันนะคุณเจริญเขาจะรู้ลองคุยถามคุณเจริญด้วยเขาเขาไปดักใส่บาตรด้วยแล้วเขาก็มาใส่ที่สาราด้วยอืคุณเจริญก็จะมาสามจุดตอนเช้าไปดักใส่บาตร เสร็จแล้วก็มาที่ศาลาวัดยาเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ขึ้นมาฟังเทศนตอบาลแกจะมาสามจุดเลยพอที่แกไปพม่อแต่คงกลับมาแล้วถ้าอยากจะรู้ก็ลองโทรทางคุณจอเลยให้แกอธิบายให้ฟังโอเค่ามจุดคว่าพรุ่งนี้เช้าจะมารอรอดักใส่บ้าตอถ้าจะใส่บานก็ใส่ที่บ้านเธอก็ได้ไม่มาดักใส่ที่หน้าศาลาวัดยาแต่แต่จะไม่สะดวกหน้าศาลาถ้ามาใส่ที่ศาลาก็ขึ้นมาที่ศาลาเลยดีกว่า เขาจะขึ้นมาสาราแล้วโยมก็มาใส่บาตรบนสาราได้ก็มีสองที่ที่จะใส่บาตรได้พักนี้ยังคุณชายปั๊มก็มามาที่นี่ไหมก็มาอยู่เรื่อยๆมาในวันนั้นเขาก็บอกค่เดี๋ยวนี้ขับรถเองได้เนี่เก่งเหมือนก่อนขับรถมาคนเดียวก็เขาผ่านหลังแล้วอ่ะอถ้าสะดวกขึ้น จักคุณชายตั้งแต่สมัยอยู่บ้านตากค่ะคุณชายเมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟ้านแล้วพอหลวงปู่ฟ้านมรณภาพไปท่านก็เลยคุณชายก็เลยมากราบหลวงตาที่บ้านตากก็เลยได้รู้จักกับคุณชายต า, นตามนั้ตานนั้นบักปูนหมูค่ะบนหมูสองคนก็เป็นคนดีคุณชายาก็ก็<ห>พอออกจากบ้านตากเขาก็คอยตามหาเราอยู่เนี่ยคอยสอบพอรู้ว่ามาอยู่ที่นี่การก็ตามมา อกจะรู้คนเดียวไม่มีใครรู้ที่นี่สงบเงียบดีค่ะหลวงตาก็เคยมานอนที่ศาลาเมื่อคืนหนึ่งบนศาลานี่ตอนนั้นท่านมาพักอยู่ที่วัดช่องลมแล้วท่านเป็นโรคหัวใจท่านท่นอยากจะหาที่สงบ อ, อยู่คนเดียวท่านก็นเลยให้คนโยมขับรถมาส่งท่านแล้วก็มาบอกให้เรามาจัดที่พักให้ที่หมู่บาาา้าพักหลวงตาเนี่ย จะหามุงหาหาเสือหาอะไรมาจัดให้ท่านพักเนี่ยท่านก็มาเงียบๆพระบอกท่านจะไม่ไปบินกระบะท่านจะไม่ฉันท่านจะอดอาหารท่านไม่อยากจะไปเจอคนญาติโยมเจอล้อเหนือ่อยมันต้องคุยมันต้องอะไรคนเป็นโลกหัวใจนี่มันต้องการพักอืพักผ่อนมันก็เลยไม่ไปบินกระบาญาติโยมที่นี่ก็ไม่รู้ว่าท่านมา ตอนเช้าท่านก็มีคุณเองมารับกลับไปจยางคุณเองด้วยเพรสวรรค์อ่าเป็นพรสวรรค์อย่างนั้นเป็นคนพาท่านมามาพัทยาพอน้องชายของแกมาเปิดร้านขายเครื่องไฟฟ้าอยู่ที่พัทยาก็ช่วยให้น้องตามาพักผ่อนแล้วแกมันตามาพักผ่อนแถวนี้ยอ๋อพระราบก็เสียไปแล้วนะไะ้ยินขาเสียไปนานไหมเสียนานพักใหญ่แล้วค่ะ เมื่นนนมอก่อนนี้ก็คุยกันอยู่อันนี้ลูกตาหลวงตาเจ้าค่ะหลวงตาเล่าว่าพ่อแม่ก็มามาสาศเป็นลูกเมี้ยงก็เ ข, ข, ขตาตอนเด็เกๆเจ็บไข้ได้ปวดก็เลยเอามาถวายให้เป็นลูกของหลวงตาหลวงตาก็เมตตาสร้างกุฏิให้กแกพักอยู่ที่มั่งศักดิ์แกก็ช้าไปทาบุญทํากับข้าวถวายพระอยู่นี่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 คุณไหนคณสิริเรียกว่าคุณคุณสิริยังอยู่นะเจ้าค่ะอายุมากแล้วนะใก็อายุเจ็ดสิกว่าเราได้ไลน์นี่ยาเล้สิริธรมามีน้องมีน้องชายสองคนช้ยรักกับมงคลใช่มมงคลเราเปิดหน้าที่พัทยาก็รู้จักครอบครัวนี้ก็ดีเราเล่าคก่แก่เราเล่าเรื่องเก่าแก่ให้ฟัง ก็ดีใจได้รู้จักกันค่ะเดี๋ยวมีโอกาสในยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาใส่บาตรมาไปดูมาตาไปฟังกันนะครับรวมตหน้าดัขอไปชุดนึงเอาได้ไปตั้งชุดเลยทุกอย่างเลยอย่างเง้เอาไปชุดนเอาทุเล่มเลยได้สด้งชุตก็ได้อานหนังสือด้วยนะเรีวัาอย่าจะได้รู้จักวันถุยาจะได้รู้ เอาเราซื้อได้ต า, ามไปเรยเย น, ยนังเรืยเซลวรยาเอคุณชายบอกเลยล่ะไปซีปซ <laughs> ไปซีไม่ไม่้โอกาสมาก็คือถถ้าถ้าฉันไม่เคยลงไปที่สวนใช่ไหมคะไม่เคยไปไหนเลยบ้านตากก็ไม่เคยกลับไปเลย อ, ตอแต่ออกมาปีสองผมไม่เคยไปเหยียบงานสมลุงดางก็ไม่ได้ไปสมนี้เคยจะกินม า, านที่สวนได้สามวัเลยเออได้ยินทาง บองทีท่านก็นมาข้างที่นี่เมื่อไม่กี่เดียวนี้ท้าหญิงนโมนให้ท่านมาแขนที่บ้านท่าน่ท่านก็นมาข้างที่วันอย่านี้ก็ได้เจอท่านนั่งค่ะ่าอาจารย์อายุมากกว่าท่านจะอินโอไม่หรอกท่านแก่ก็สองสามปีมัท่านปีระกาเราปีเจ้าไอ้เราปีคุณไม่ถึงออนกว่าส อ, อปีอ่อนกว่านานกว่าหลวออิ หกิบเจท่านหกสิบเก้าแล้วแต่ท่านพรรษาเยอะกว่าเราสิพรรษาเพอาะท่านบวชตั้งแต่เป็นเด็กแต่เราบวชตั้งแต่อายุยี่สิบเจตอนนี้เราบวชนี้ท่านก็ได้สิพรรษาแล้วพรรษาแรกของเรานี้ท่านก็เป็นพรรษาที่สิบเอ็ดก็อยู่วันศาลด้วยกันช่วงนั้นที่ไปท่านก็อยู่หลวงปู่ลีก็อยู่หลวงปู่บุญมีก็อยู่แต่น้วงปู่เพียนด้ออกไปนะหเวงปู่เพียนไ ป, ไปสร้างวัด น, นะ เลยหลวงปู่ี่กับหลวงปู่วิณีท่านปัญญาท่านเชอรี่พระประหลันอยู่กันปีนั้นไม่เยอะพระแค่สิบแปดรูปเท่านี้เราะนั้นหลวงพ่อยังรับพระไม่มากนะท่อนท่านจะไม่รับมากใครใครใครได้ให้ท่านรับนี่เดียวเป็นคนที่ว่าโชคดีปีนั้นท่านรับเราสองสองรูปรับเราก็ท่านสุดใจอพร้อมกันท่านสุดใจกับเราเข้าไปพร้อมกันก็อยู่ติดกัน นั่งติดกันมาตลอดเวลาฉันก็นั่งติดกัน<ม>ท่านแก่กับเราสองพันศาไม่สุดใจตอนนี้<อ>ท่านดูแก่แล้ว่ันก่อนดูรุน่นกันเหมือนหลวงปูุ่รีมาสร้างพิพิธภัณฑ์แห้หล่งตาได้ยินงขาเนี่ยค่ะได้ได้ว่าจะเริ่ ม, ะมจะเริ่มปลูกสาลาแล้วเนี่ยมามาปลูกสาลาวันนั้นโยงก็ส่งค์ปดปัจจัยไปร่วมสร้างบุญกันตลอดแต่ว่าน่าจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนกับที่ของหลวงปู่มั่นที่สกลนคร หลงตา ส, สั่งไม่ไห้สร้างเจดีท่านกะไรสร้างที่พิพิธภัณฑ์แต่ว่าเอ๊รู้สึกว่าเจดีก็เห็ น, นแต่วิทยุก็ประกาศก็ให้ให้จัดจ า, จทา ง, งท้างด้วยจ้างด้วยโ ย, ยมก็ได้ร่วมมือไป ถ้าหลวงปู่รีทำก็คงจะสำเร็จใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นทำก็คิดว่าคงก็วงพ่อคุตติยท่านก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรมากไม่ว่าอย่างไงก็ได้ยังไงก็ได้อดใจอดะไปทีไรก็ถึงไปทีไรทามว่าจะไปยังไงเมื่อกี้ก็ไปเรื่อยๆที่ก็ไม่ได้เวลาที่ก็ขึ้นไปเข้าไปที่วัดลอยไปบ้านป่าเหมือนกันไม่ได้ทิ้งอัค่ะหลวก็ไปค่ะ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 ยิงสมัยนี้มีเสียงท่านอานไว้นะวันรับสายก็เหมือนท่านอยู่ต่อหน้าเรานี่ยแหละใจได้มากราบ่นจาค่ะใจได้มากราบท่านเ้าค่ะทำุญไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะตาอยู่เคยทำยังไงสมัยน้องตาอยู่ก็สมัยนี้ก็ทาต่อไปเจาค่ะทำนมาเป็นอาการลิโกนะเป็นที่พึ่งของใจ มาจากที่ไหนกันลำปางควรได้กี่ภาษาละฮะที่นี่นะคะจีนจากแล้วอยู่ี่ตรงไหนแต่ขึ้นไปบวดที่ลำปางค่อบ้านอยู่ที่นี่เหรอฮะจันตาลนวเาัอยู่ที่วัดใ่ไหอ๋อตรงตรงอยู่ที่บังลำปางบนั่นแห่ันไม่ได้รชื่อังอ่า นี่นำลำตางดีไหมที่ท้งนี้มี่ที่ัสิูกค่ะแล้ ว, ลวี่อยู่สบายไหมได้ภาวนาแล้ก็อ่ะม่ด้ฝึกสนฝึเจะลองปัสเีามีเวลาปฏิบัติของเราเอง่ด้ <c oughs> ต้อทอะไรนะต้องา น, น, นาออง แก็มีสอด้านเแล้วก็มีสอนแบบธรรมาคใครสอนเราสอนแล้วเขาสอนก็เราสอนเราเป็นผู้ช่สอนค่ะแม่ชีต้องบวได้หะเดือเป็นครูซะหบวชได้หกเดือนก็เป็นอาจารย์ได้เลเป็นผู้ช่วสอนเป็นผู้ชวนค่เรไยังไม่ไดเาเป็นหัวหน้าแม่ชีเลยอี้แม่ชีนะแล้วก็รับสอนคเป็นวัดเลย เนมกอยู่ง้า้า ง, องีอีก ต, ตรงข้ า, า, าเป็นวาของแม่ทีส่วนแม่ทีกับส่วนของพระแยกกันแยก่ะจะแยกงเแต่ตอนนี้ยังรวมกัน่าเรารู้รู้จักคนน้อยมากากันดวสอนนะคบตาของหลมั่นค่ ะ, ะตาเงินให้ไ้เาจิต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 คิดโทรัทั้งวันอยาไปคิดตรงแต่นั่งสมาธิมากๆทางใจใหลล้รวมแล้วก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังมันน่าตานมากมีค่าสิเหลานะพิจาราสุภาพนระ่างกายไม่สวยไม่งามเป็นธาตุโเดินได้อาจารยรับ มไ อ, มอนน้วันครบรอบพลาเสียเลยีละที่15ครับก็จะเงินเลยพอเสียมากี่ปีแล้วปีเดียวปีเดียวอายุเท่าไหร่ตอนนี้เสียย่ายสนะวันจะถึงแปดพอเราพออยู่ช่วงนั้นมือนกันเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมตัวนะ ดึเราเ่อได้เลยเพราะนัมนสติไหลลงมแล้องรอบๆตัวเขไปมันต้องมันต้องมาจเจริญที่ตัวเราเนี่คนอนื่นตายไม่สำคัญแค่เราตายคนคนนี้วไม่กลัวอะไรม่กลัวใลัวถ้าไม่อยากเากิดใหม่ก็ต้องบวช ยังบวดได้แค่ใจยังนแห่เส้นสิ่งต้องอเคียร์นี่สิ ย, ย่งว่ยังมีตันหาความอยากอยู่ก็ต้องเกิดถ้าเราอยากจะเกิด<อ>ก็ต้องตัดตั น, ตนหาความอยากเราตอนนี้ก็ทำด้วยวิธีทสีทองนะครบนะแต่ไม่ได้บวชครบแต่ไม่ไม่มาก อย่างนิดอย่างน่อยหอมปากของกอเสงทุกวันครับเสียงก็เสียงห้ายังไม่เสียงแปดพันละชั่วโมงวันนี้ไม่กลับมาบวชนี่ก็ต้องภาวนาทั้งวันทั้งวันทั้งคืนก็ยังดียังดีก็ไม่ทําเลย รือว่าเป็นจุดเริ่มต้นต้องพัฒนาขึ้นไปเนี้ยมีนี่ก็ไม่ปวดไม่อะตอนตอนเสียนี่เรียบร้อยชอบมัมนนี่มา <laughs> อกเลยถ้าแจ้งก้อย่างข่ า, าราชารเนี้นะคะที่บอกว่าทายความหวังทั้งตัวเนี้นะ หมายความว่าไอตัวตัวตังหาเนี่ยยังม่ะค่ะไม่มีแนละ้วมันไม่ได้หวังอะไรใน<ด><ก>โลกนี้เพราะมันไม่มีอะไรหวังหน้าหวังเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ยังหวังอยู่ก็ไม่ใช่อรหันต์ ม, มันตัววัดเหมือนกันเนาะ<ด>ก็ใบหวังอะไรนโลกของอนิจจังโลกของมันนัน้องไม่มีตัวตนมันก็จะเห็นเป็นความว่างอยู่แล้วใช่ไหมร่างเป็นเป็นเป็นเช่นนั้นเองนะไม่เป็นไรถ้าขอมันเป็นอย่างนี้มันไม่ม<ด>ี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 ใจมีความสุขในตัวแรกวคือความสงบถ้ามีความสงบแล้วมันก็จะตัดความอยากได้ถ้าไม่มีความสงบมันก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเนี่ยหาเงินหาทองหาคนนั่นหาคนนี้มาอยู่ร่วมกันหารถหาอะไรฮะต่างๆร้อจากทางการนี่ก็เป็นความอยากคนไม่อยากแล้วก็ไม่ต้องหา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 ใช้คนอื่นมันใช้เพื่อคนอื่นมันก็เป็นกิเลสไดมไนนม้มันก็เป็นกิเลสใช่เราไปเนี่ยรายเงินคนมาทําบุญเนี่ยมันก็เป็นกิเลสได้เพราะเป็นความอยากอยากจะเอาเงินเข้ามาทําบุญถ้าเขาอยู่ดีๆเขามาขอร่วมบุญด้วยนี้อันนี้ไม่เป็นกิเลสแต่เราไปชวนเขานี่ด้วยความอยากให้ได้เงินเขานี่มาทําบุญก็เป็นกิเลสเมื่อกี้พี่พระจันท์พูดเรื่องอัตพานะคะ แผนที่ดีที่ป้าแจงเคให้ที่พวกพวกเราในกลุ่มไว้ร่วมมาดูกันคืนดีมากเลยเป็นค<อ>วามเยอรมันความเยอรมันเลยดีคนะ่ะแล้วก็ตุ้มก็ลูกก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บไวไ้ในโทรศัพท์มือถือค่ะ <Yeah. S 2> ล, ลูกเปิดดูตลอด <Yeah. S 2> ดูเร yeah. Yeah. ื่อยๆดูตลอดเวลาเลยอันนั้นดีมากๆจริงๆห <Yeah. S 2> ายากอย่านี้นะคะแต่บางครั้งภาษาอังกฤษตุ้มลูกก็ บางตัวฟังไม่ค่อเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจละขอให้แหู้กก็พอแล้วค่ะอันนั้นดีจ้ะอาจารยของจริงก็เอาไว้ดูกันคืนหมายของจริงเลยแกูกลาค่ะ